สารแพ่งกรุงเทพใต้ให้มีสติรู้อยู่ที่คําบริกรรมพุทโธไม่ใช่พุทโธเหมือนนอกแก้วนอกคุณทองเราพุทพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้นี้ให้มีสติรู้อยู่ที่คาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธด้วยคือให้ใจใจอยู่กับคำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินหน้านอนเข่าของหน้ามองเสื้ออันหนึ่งกินเดินทางไปไหนมาไหน พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใช้ชีิประจาวันในใครพุทโธบ้างไหนยกมือดิใครพุทโธบ้างอใชได้ใชได้คนไหนพุทโธใชได้ใครไม่ได้พุทโธไหนยกมือิไม่ได้พุทโธทอะไรใสใส่ตรงออกนอกพุทโธนะพุทโธส่งจิตออกนอก ก็ได้ได้ครับู้อยู่การขับรถนะเพราะว่าบางทีบางคนไม่ถนัดขับรถให้พุทธพุทโธไปสติเป็นกาดบางคนทําไม่ได้คือตอนที่ขับรถนี่ขับรถมันมาบริกรรมไม่ได้พุทธพุปโธหรือพระสวดมนต์ไม่ได้เพราะบางคนไม่ถนัดก็จะทําไม่ได้พระสวดมนต์หรือว่าบริกรรมพุมทธรนี้สติไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มรอยถ้าคนชํานาญแล้วมันทำได้ทุกเรื่อหมดเลยขณะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมีคม ต้องมีสติระวังตลอดเวลาโมทัพุทโธคุโธบางทีใจลอยไม่ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากําลังทําอะไรจะจะกำลังทําอะไรอยู่จะไปไหนไปหาใครกาลังจะเดินไปไหนไปทําอะไรไปหยิบอะไรไปเอาอะไรเงี้ยก็หลงหลงลืมลืมก็ต้องฝึกให้มีสติสำหรับจัญญาตัวทั่วพร้อมบริกรรมพุทโภคุโธพุทโภก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองจะเดินไปไหนไปหาใครจะหยิบอะไรจะเอาอะไรจะวางไว้ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่ก็ต้องรู้ตัวตลอดเวลาหลายท่าน บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือฝึกสติบอกว่าฝึกสตินอนอนอนอแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสติสมบัตชัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์พือจะไปไหนไปหาใครไปทำอะไรก็หลงหลุลมๆถขับรถก็เลยบ้านไม่ได้เรียวคขาบ้านเอาแว่นตาขึ้นไว้บนที่ะเดินหาแว่นตาไม่เจอเอาผ้า เจ็ตัวพาพาไปที่ไหลจะเข้าห้องน้ําหาพระเจ็ตัวไม่เจอต้องมีสติสัมภัญญาสมบูรณบริบูรรู้ตัวท่กพร้อมว่าท่านจะไปไหนจะไปหาใครไปหยิบอะไรเอาไปวางไว้ตรงไหนบางคนก็ถือกุญแจบ้านมาถือกุญแจ อ, อะไรมาก็เอาไปวางที่ไหนรู้หาไม่เจอเลยคือมันขาดสติสัมชัญญาไปเลยต้องระวังให้ดีนี่ยก็มีสติสัมภัญญารู้ตัวท่วพร้อมว่ากำลังจะทําอะไรแจะี่ไหนท่านต้องพยายามแก้ไข คือให้ให้ให้รู้แจ้งทั้งข้างในทั้งนอกพร้อมกันไม่ใช่รู้แต่ข้างในและข้างนอกพอฟิวขาดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็มีท่านเองนะก็ขับรถไปพอไปรู้ตัวไอทีหนึ่งไนะรถมาอยู่กลางทุ่งนาเลยขับรถไปแล้วก็ฝึกสมิอยู่ตลอดเวลาฝึกสมาิมันรู้อยู่ภายในมันรู้สึกตัวไอทีเงี้ยนะรถมันไปหยุดไปจอดสนิทเลยอยู่กลางทุ่งนานแล้วก็มารู้สึกตัวไอทีอ้าว มาอยังไงไม่รู้เนี่ยพอมยไม่รถม่อยู่การทุ่งนาคือไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับฟิวขาดเหมือนกับคนหลับในเลยแต่ความจริงท่านก็ไม่ได้หลับในอันท่านบอกว่ารู้ตัวย้อดเวลาเลยแต่มันรู้อยู่ข้างในมันไม่รับรู้ภายนอกขายการรับรู้ภายนอกไปเลยแต่ว่าไปรู้ยี่อยู่การทุ่งนาเราจะทําอะไรในต้องรู้ตัวทั่วพร้อมจะเรียกว่าส ต, ติสารวจันจารู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้แต่ภ า, ายในไม่ได้ บอกรู้แจ้งข้างในตลอดเวลาแต่ขั้นแต่มันไม่รู้ตัวโทษมรณะต้องมีสติสับพรจัญทร์ะแล้วก็พุทโธไปไหนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะแล้วก็ให้ใจเนี่ยอยู่กับพุทโธเมื่อใจไม่อยู่กับพุทโธก็กลับมาให้ใจอยู่กับพุทโธแล้วแบพุทโธพุทโธพุทโธอีกใจก็มาอยู่กับพุทโธก็ก็กลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธนะปกติใจมันไม่ค่อยอยู่หรอกจิตใจเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับพุทโธหรอกเป็นความเคยชินน เวลาให้พุทโธพุทโธดูสิหรือว่าให้ให้จิตใจเนี่ยอยู่กับเครื่องล่อเอาอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องล่อลมให้ใจเข้าออกก็ได้หรืออายุบทความกายก็ได้ยืนเดินนั่งนอนอายบทของมกายก็ได้หรือคาบริกรรพุทโธก็ได้หรือให้ใจเข้าพูดหายใจออกโโก็ได้ให้จิตใจเนี่ยมันอยู่กับอยู่กับเครื่องล่อแบบเนี้ให้มันอยู่แล้วเมื่อไหร่จิตใจไม่อยู่กับเครื่องล่อของจิตออกไปนอกค่อย้รู้ตัวรู้ทุพันแล้วก็กลับมาอยู่กับเครื่องล่อ เช่นอยู่กับคำบริกรรมพุโธกับพุทโธพุทโธพุทโธเดียวก็เอาละจิตใจมันก็ส่งจิตออกนอกอยแล้วส่งจิตออกนอกเข้าไปสนใจสิ่งใดก็ไปสนใจคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสนใจโทรทัศน์ไปสนใจวิทยุสนใจพเพลงสนใจอาหารการกินนะไปสนใจเรื่องรอบตัว สนใจไปรู้เรื่องของคนอื่นสนใจดูการแต่งกายของคนอื่นสนใจที่จะพูดคุยกัน mm hmm. เพลินใจคนะาว่าส่งจิตออกนอกคือส่งไปสนใจไปเพลินใจกับสิ่งนั้น mm hmm. เข้าไปพอใจ mm hmm. เข้าไปไม่พอใจ mm hmm. เข้าไปยินดี mm hmm. เข้าไปยินร้ายเข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งนั้น mm hmm. เข้าไปสนใจให้ค่าให้ค่าไอ้ความสำคัญคือให้ให้สิ่งนั้นน่มีอิทธิพลต่อใจ มีค่ามีความสําคัญต่อใจเรียกว่าส่งจิตออกนอกแล้วก็มีสติรู้ตัวรู้ ท, ทันเอากลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธอาจิตใจกลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจิตใจเขาก็จะส่งจิตออกนอกอีกตามความเคยชินไปสนใจสิ่งใดๆอีกไปสนใจคนใดไปสนใจเรื่องราวใดๆในดี น, ดนานาตนั่งคิดไปเฮิร์ชัยไปหรือเข้าไปพอใจไม่พอใจ อาการของกายอาการของใจเราก็รู้ตัวรู้เท่าทันแล้วกลับมากลับมาหยุดทมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วท่านก็ต้องรู้ตัวให้เร็วนะออกไปก็รู้ตัวให้เร็วแล้วกลับมารู้ตัวให้เร็วแล้วก็กลับมารู้ตัวให้เร็วแล้วกลับมาต้องขยันให้มีส ป, ปิจิตใจหลุออกจากเครื่องลอ่อหลุดออกจากกรรมบริกรรมพุทโธหยุดหลุดออกจากลมไม่ใจเข้าออก เราก็ต้องรู้ตัวรู้ทานให้เร็วๆแล้วกลับมามากลับมาอากลับมาบ่อยๆกลับมาเร็วๆกลับมาเร็วๆไม่ใช่หลุดไปแล้วหลุดไปนานเลยหายไปเลยนะหายไปการที่หลุดจากเครื่องร่อไปแล้วก็หลุดออกไปสนใจให้ค่ายความสําคัญสิ่งใดเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปยินดียินร้ายก็ไปอยากไม่อยากอยากไปต่อสิ่งนั้นเรียกว่าส่งจิตออกนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเจตสีภายนอกเรียกว่าภายนอกกาย ถ้าลุดออกไปทั้งเขาเรียบวกับมาอยู่กับคำบริการพุทโธหรือลมให้ใจก็าออกหรือเครื่องรอดใดๆขยันเอากลับมากลับมากลับมากลับมาให้เร็วๆขึ้นเล็วขึ้นเล็วขึ้นปฏิสึกจิตก็ไปยุ่งกับอาการร่างกายยุ่งกับอาการท้งใจหรือยุ่งกับเวทนาไม่ไปยุ่งกับสิ่งใดภายนอกยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องตัวของตัวเองเช่นให้บริการพุทโธเดี๋ยวหลุดไปแล้ว เราทำไมเป็นนู่นเราทำไมเป็นนี่เราทำไมเป็นอย่างนู้นเราทำไมเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้มากไหมเราจะเป็นอย่างนู้นมากไหมหมอว่าเป็นอย่างนี้หรือว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอะไรยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอาการของกายอาการของใจเข้าไปสนใจอาการของกายเข้าไปสนใจอาการของใจเข้าไปให้ค่าให้ความสําคัญเข้าไปยึดถือเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปดิ้นรนพักสายอาการของกายอาการทั้งใจ อย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกเหมือนกันคุณโคนบอกเอ๊ะไม่ได้ส่งจิตออกไปนอกตัวนะมันมันไปอยู่ที่เรื่องร่างกายจิตใจตนเองทำไมายังส่งจิตออกนอกอยู่ที่ร่างกายจิตใจตนเองนี่ก็ตามแต่ถ้าเข้าไปสนใจให้ใหค่า้ความสําคัญเข้าไปพอใจไม่พอใจก็ไปยินดีก็ไปยินร้ายก็ไปอยากไม่อยากอย่างไรต่ออาการเหล่านั้นอย่างนี้เขาก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกพุโทโธพุทโธเดี๋ยวคือดื่นพุโทโธแล้ว สนใจแต่เรื่องความเจ็บไายในป่วยของตนเองหสนใจเี่ยวแต่เรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้ตัวรู้ทันแล้วกลับมาใหม่สลัดทิ้งไปทําความรู้สึกตัวขึ้นมาสลัดเรื่องราวที่เงาไปจากใจแล้วก็กลับมาอยู่กับคำบาลีคำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่กับเครื่องล่อเดี๋ยวก็อีกแล้วก็ลุดไปอีกแล้มันเป็นมันเป็นความเคยชินเนี่ยต้องลุกไปอีกแล้วลุดไปยุ่ง เราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้ยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องของตัวเองเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้ตัวรู้ทันเรากลับมาเรากลับมาอยู่คำบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาอยู่กับลมหายใจก็ออกอยู่คาบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือดุดไปยุ่งเกี่ยวกับจิตใจของตนเองไปเข้าไปสนใจส่งจิต ออกนอกเข้าไปสนใจให้ค่าในความสําสคัญเข้าไปยึดถือเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปดิ้นรนปรักใสเกี่ยวกับเรื่องจิตใจตนเองอาการทางใจตนเองเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตใจมันรู้สึกโปร่งโลบเบาสบายไปหมด บางครั้งมันก็มีติสาบซ่าบางครั้งมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความห่องใสใจมากบางครั้งมีความสงบมีความว่างเปล่ามากบางครั้งจิตใจมีความสว่างสวัยก็เข้าไปสนใจอาการที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นเข้าไปสนใจอยากให้มีความโปรมีความโล่งมีความเบามีความสบายอย่างนั้น ไม่อยากให้ความโปร่งโล่งบาสบายอย่างนั้นมันหายไปอยากให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปอยากให้มีความสว่างสวัยแบบนั้นตลอดไปไม่อยากให้ความสว่างสวัยหายไปอยากให้มีความสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นนานๆไม่อยากให้ความสงบนิ่งนั้นหายไปการที่เข้าไปอยากอย่างนี้หรือเวลาความสงบหายไปความสว่างหายไปความโปร่งโล่งบาหายไปมีความอัดมีความทึบมีความซื่อมีความไม่โปร่ง ไม่โลภไม่เบาสบายขึ้นมาก็เ ข, าเข้าไปดิ้นหลอนผักใสไม่พอใจอาการเหล่านั้นอย่างนี้เขาก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกฉันต้องรู้ตัวรู้ตาตัานาทีแล้วกลับมาอยู่กับกรรมริยมพุโทโธพุธโทโธหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าขออกเดี๋ยวเลาอีกนะคนไม่เคยสบายนี่พอมันสบายขึ้นมามันมีความเบามีความสบายมีความห่องใสขึ้นมาใจใสใจสบาย มันก็อยากจะให้สภาวะอย่างนั้นมันอยู่ตลอดไปไม่อยากให้หายไปเราต้องทําความรู้สึกตัวขึ้นมาแรงๆแล้วก็กลับมาอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธอยู่กับกลมหายใจเข้าออกอีกเดี๋ยวก็เข้าไปสนใจอีกเดี๋ยวก็เข้าไปเอ๊ะอะเอ๊ะทําไมทําไมมันมันสงบแล้วมันไม่สงบทําไมมันโป่งโร่วงบาสบายแล้วมันไม่ไม่ปโป่งร่วงบาสบายทำอย่างไรมันจะปโป่งร่วงบาสบายอย่างนี้ตลอดไป เอ๊ะมันทำไมทำไมทำไมทำไมไปยุ่งวุนวายเกี่ยวกับอาการเหล่านั้นเราก็รู้ตัว ร, นนะรู้ตัวทันนะรู้ตัวรู้ตัทันเอากลับมาอยู่กคำบริกับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกอีกเพราะว่ากรณีที่ส่งจิตออกไปสนใจให้ค่า ใ, ให้ความสำคัญความสงบความโปร่งความโล่งความเบสบายความป่องใสความสว่างความว่าเมืองว่างดุจอวากาศว่างดุจจักรวาลก็ตามแต่เมื่อไรที่เราส่งจิตเข้าไปสนใจ ให้ค่าให้ความสำคัญดีที่พลตอใจก็ไปยินดีเข้าไปพึงพอใจจิตใจยินดีก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกท่านทำคำความรู้สึกตัวรู้ตัวเท่าทันแล้วกลับมาอยู่กับคำบริกรรมโตหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกตามเดิมใจที่เข้าไปยึดถือใจที่สงบใจที่ตรงที่ล่งใจเบาสบายใจที่สว่างใจที่นิ่งใจที่ป่องใสแล้วท่านเข้าไปยึดถืออย่างนั้น เวลาขนาใดที่ใจไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายมีอาการทึบๆหรือใจมีอาการหนักๆหรือใจมีความไม่ฟองใสจิตใจไม่สงบมีความคิดเหมือนกับมีความคิดมีความวุ่นวายท่านจะทนไม่ได้เพราะท่านไปชอบไปชอบใจที่สงบใจที่นิ่งใจที่สวางใจที่เบาสบายไว้แต่พอใจที่ท่านไปเจอหน้าใจที่ไม่สงบไม่ว่าไม่เบาสบายใจที่มีความยึบคิดถึกฟอมปรุงแต่งใดๆท่านจะทนไม่ได้ คนไม่ได้แล้วมันมีความเครียดมากกับใจที่มันทําไมวุ่นวายมีคนมาถามผมเยอะว่าอาารย์ไมใจมันวุ่นวายแบบนี้ทําไมมันมันมันมันวุ่นวายมันตั้งแต่อย่างนี้ก็จะทํำให้ใจมันมีความสงบมันนิ่งมันว่างอยู่หน้าเดียวไม่ยอมรับว่าจิตใจมันก็มีสองสภาพคือมันมีทั้งฝ่ายที่สงบที่นิ่งที่ว่างกับฝ่ายที่ไม่สงบไม่นิ่งไม่ว่างก็เป็นธรรมชาติเราเพียงแค่วางใจให้เป็นกลาง วางใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารับรู้สักแต่ว่ารับรู้ทงความเป็นจริงว่าจิตใจมันมีสองฝั่งแบบนี้แน่มันเป็นของธรรมดาถึงแม้เราจะมีความสามารถพิเศษปันใดที่จะพยายามกัดไว้ให้จิตใจมีความสงบความนิ่งความว่างความสว่างเพียงใดแต่มันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างนั้นตลอดไปเพราะแม้แต่มีความสงบความยิ่งความว่างความสว่างเพียงใดมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้คงทนอยู่ได้อย่างนั้นตลอดไปต้องเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ความไม่นิ่งไม่สงบไม่ว่างจิตใจก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีความเที่ยงว่าสงบว่านิ่งว่าว่างว่าสว่างอย่างเดียวความไม่สงบไม่นิ่งไม่ว่างไม่สว่างก็เป็นธรรมชาติของของใจใจก็ก็มีสองฝั่งอย่างนั้นจิตใจก็เป็นของธรรมชาติต้องตกอยู่ใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดังธรรมชาติ เช่นธรรมชาติของอากาศธรรมชาติของท้องฟ้าอากาศก็ไม่ใช่ว่ามีอากาศที่สบายอย่างเดียวบางครั้งก็ร้อนเกินไปรู้สึกไม่สบายบางครั้งก็หนาวเกินไปรู้สึกไม่สบายบางครั้งก็อบอุ่นรู้สึกสบายบางครั้งก็เป็นกลางๆไม่รู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายเพดฉะนั้นอากาศทั้งหลายก็ไม่สามารถตั้งอยู่สภาพเดียวได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเราเนี่ย ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือทั้งร่างกายเราจริตใจเราแล้วก็ดินฟ้าอากาศธรรมชาติเราพึงพอใจที่จะทาให้ร่างกายจิตใจเราดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันมีสภาพคงทนคงที่อยู่ในสภาวะที่เราพอใจเพียงอย่างเดียวจะมีแต่ความทุกข์ความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ม่ความเป็นจริงของธรรมชาติร่างกายความเป็นจริงของธรรมชาติของจิตใจและความเป็นจริงของธรรมชาติในธรรมชาติของดินฟ้าอากาศของสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมตกอยู่ในตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถมีสภาวะอยู่ในสภาวะที่เราพอใจเพียงสภาวะเดียวเขาต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจดินฟ้าอากาศหรือสรรพสิ่งทั้งหลาย ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสภาพที่เราไม่อยากให้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพนี้แต่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสภาพนี้เช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าจากคนที่รักสิ่งที่รักความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาความมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสรรเสริญนินทาเราอยากให้มีแต่ลาบมีแต่ยศมีแต่สุขมีแต่คนสรรเสริญไม่มีเสื่อมลาบไม่มีเสื่อมยศไม่มีแต่ความสุขไม่มีทุก มีแต่คนสารเสิญไม่มีคนอินทามีแต่คนรัดไม่มีคนชังนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเราฝืนความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อครั้งใดที่มีความเสื่อมลาภเสื่อมสุขเสื่อมยศมีคนอินทาว่าร้ายมีคนชังมีความพัดผ้าจากคนที่รักสิ่งที่รักมีความไม่สมหวังไม่สมปรารถนา มีความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจท่านจะเป็นทุก์อย่างยิ่งเพราะท่านฝืนความจริงทุกทุกข้อฝืนความจริงท่านต้องพยายามสุกจิตใจให้ยอมรับตามความเป็นจริงดูรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าให้อย่าส่งจิตเข้าไปชอบไปชงังไปพอใจไม่พอใจอย่าเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายให้สัต์แต่ว่ารู้ สิ่งเหล่านั้นรับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วกลับมาอยู่กับ ja คําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็ส่งจิตออกนอกอีกแล้วต้องกรู้ตัวรู้ทันแล้วกลับมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธอยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็ต้องส่งจิตออกนอกไปอีกแล้วเป็นความเคยชินความเคยตัวเคยใจจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาท่านไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวไม่สามารถอยู่ใจเดียวได้เลยท่านจะต้องหาเพื่อนอยู่ หาเพื่อนใจตลอดเวลามีโทรทัศน์เป็นเพื่อนใจมีวิทยุเป็นเพื่อนใจมีหนังสือพิมพ์เป็นเพื่อนใจมีหนังสืออ่านเป็นเพื่อนใจมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนใจมีพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยามีลูกเป็นเพื่อนใจมีอดีตอนาคตมีเรื่องราวในไทยเป็นเพื่อนใจที่ท่านคิดในถึกทองปุงแต่งไปหาเขาเป็นเพื่อนใจอยู่ตลอดเวลาท่านไม่เคยอยู่ในการปัสกาเพื่อนใจเลยท่าน มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ท่านลองพิจารณาให้ดีท่านไม่เคยอยู่ในปัจจารเพื่อนใจเลยเมื่อเวลาที่งานปิดไม่ได้มาทํางานท่านก็ต้องหาอะไรทําแต่พอมาทํางานท่านก็รู้สึกว่ามีงานทําเป็นเพื่อนใจแต่เวลาพอไม่พอปิดงานวันเสาร์ ว, วันอาทิตย์หรือวันานักขัตฤกษ์ท่านอยู่บ้านท่านก็มีสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้อง มีโทรทัศน์มีวิทยุมีหนังสืออ่านมีสัตว์เลี้ยงมีของที่ชอบใจหรือเดินไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนใจมีอาหารการกินเพื่อเพินมีความสุขกับการกินเป็นเพื่อนใจหรือมีความสุข เ, เพื่อเพินเตือนใจกับเรื่องราวที่คิดไว้เป็นเพื่อนใจทดลองอยู่คนเดียวให้ใจไม่เก่อกเกี่ยวสิ่งใดสักสินาทีก็เก่งแล้วสินาทีนะ10นาทีเขาเก่งนะ ล, ลองอยู่คนเดียวจริงๆอยู่โดยที่ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนใจ ลองดูว่าอยู่คนเดียวกับสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีไม่มีสิ่งใดเลยเป็นเพื่อนใจไม่มีสิ่งใดเลยเป็นเครื่องลอดใจดูใจตนเองอยู่เฉยๆว่าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอาแค่วันละห้าทีสิบนาทีแล้วค่อยขยายเวลาไปเรื่อยๆดูซิว่าใจมันวิ่ง ไปหาเพื่อนใจอยู่ตลอดเวลาเราคอยรู้ตัวรู้ตัวทานเรากลับมาเราคอยรู้ตัวรู้ตัวทานแล้วสลับทิ้งไปเดี๋ยวอีกแล้วอยู่ตัวคนเดียวอยู่ใจเดียวไม่ถึงห้านาทีใจมันต้องวิ่งไปหาที่ขอเกี่ยวอีกวิ่งไปหาของที่ชอบใจที่เคยตัวเคยใจแม้แต่วิ่งไปหาคำปริกำพุทโธวิ่งไปหาหลมในใจเขาออกวิ่งไปหาความรู้สึกที่สบงบความรู้สึกที่โปร่งโล่เบาสบายความรู้สึกที่สว่างสวยัย อันนั้นก็คือวิ่งไปหาเพื่อนใจวิ่งไปหาเครื่องอยู่วิ่งไปหาที่อยู่ที่อาศัยถ้าก็รู้ตัวรู้ตั้นเรากลับมามารู้อยู่รู้จิตใจอยู่เฉยมาสัตว์ตวรู้จิตใจของตัวเองรู้ตั้นจิตใจของตัวเองอย่าให้วิ่งไปเกาะเขียวสิ่งใดพอวิ่งไปกเกาะเขียวสิ่งใดก็รู้ตัวรู้ตั้นแล้วก็สละบจริงไปเอาไว้เดี๋ยวนก็วิ่งไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดอีก จิตใจเนี่ยมันไม่เคยอยู่หรอกม่เคยอยู่ตัวคนเดีได้จริงๆหรอกมันก็วิ่งไปเกาะเกี่ยวจริงใดทีท่านก็รู้ท่อทานรับสละบทิ้งไปรู้ต่อทานรับสลับทิ้งไปเรื่อยๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วก็รู้ดูจิตใจตนเองอยู่เฉยๆห้นาที10บนาทีทําอย่างนี้วันละ 5- ้นาทีสินาทีจริงๆวางงานวางกิจกรรมใดๆทั้งหมดวางเรื่องราวที่จะต้องคิดต้องนึกสักหน้านาทีสิบนาทีบางคนบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติ บอกว่าไม่มีเวลางานยุ่งมีเรื่องราวให้คิดมากลายขอแค่ห้านาทีบอกเอาหอ้านาทีพอแล้วสิบนาทีพอแล้วที่บอกว่างานยุ่งยุ่งวางเรื่องราวที่จะคิดวางเรื่องราวที่จะนึกวางเรื่องราวที่จะตึกที่จะตองที่จะปรงแต่งวางอาดีตวางอนาคตวางสิ่งที่จะต้องไปทาเสียวางเพื่อน วางวิทยุโทรทัศน์วางหนังสือพิมพ์วางของที่ชอบใจวางของที่ไม่ชอบใจไม่เข้าไปดิดนรนผักใสาอาการใดๆไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากตัวสิ่งใดไม่เข้าไปอยากให้ใจมันโปรงโล่งเบาสบายสว่างแม้แต่ความโปรงโล่มเบาสบายความสงบความสว่างอะไรก็ไม่ปัจจานาไม่ปัจจานาใดๆทั้งหมดวางก็ได่านลงไปด้วย แม้แมต่ทำปาร์ตนาที่จะบรรลุธรรมก็ปล่อยวางล ง, งเสียดอนนั้นแล้วก็ดูรู้เห็นใจตนเองสังเกตดูใจตนเองอยู่เฉยเฉยดูที่ว่าใจตนเองเนี่ยวิ่งไปหาอะไรคิดถึงอะไรแล้วรู้ตัวรู้ทุษฐานตลาดจริงไปทำไมเดี๋ยวใจของตัวเองก็ไปคิดถึงอะไรอีกวิ่งไปหาอะไรอไีกวิ่งไปหาทีา่เกาะที่เกี่ยวที่ยึดเหนี่ยววิ่งหาความโกลงความโล่งความเบาสบายความสว่างความสงบถ้าก็รู้ตัวรู้ทุษฐาน แล้วก็รู้อยู่อย่างนั้นนะดูรู้เห็นจิตใจตนเองอยู่างนั้นนะทุกขณะจิตดูที่ว่าจิตใจตัวเองวิ่งไปหาอะไรไปคิดถึงอะไรแล้วก็รู้ตัวสลัดทิ้งไปเอามาอีกรู้ตัวสลัดทิ้งไปเอาใหม่รู้ตัวสลัดทิ้งไปใหม่แล้วให้มันอยู่กับรู้อยู่กับรู้ไว้อยู่กับความรู้ตัวไว้อยู่กับความรู้ตัวอยู่กับความรู้จิตรู้ใจตนเองไว้อยู่กับการดูจิตดูใจตนเองไว้ตลอดเวลาให้อยู่กับการดูจิตดูใจเหมือนดูหนังดูละคร ถ้อยู่การดูจิตดูใจของตัวเองดูหนังเหมือนดูหนังดูละคระเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วอลองฝึก ด, ดูจิตดูใจของตัวเองตั้งหานาทีสิสัทีดูที่ว่าจิตใจตนเองมันวิ่งไปหาใครวิ่งไปคิด ถ, ถึงอะไรวิ่งไปกงเกาะเกี่ยวสิงใดวิ่งเข้าไปพอใจให้พอใจสิ่งใดวิ่งเข้าไปรักไปชงังไปเกลียดไปโกรธ ในนิดหลนพักสายสิ่งใดรู้ตัวรู้ตัวผนสลับทิ้งไปเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็มาดูรู้เห็นจิตใจตนเองใหม่ดูรู้เห็นจิตใจตนเองใหงม่ถ้าใครฝึกได้อย่างนี้ก็ฝึกแบบนี้ไปเลยคือฝึกฝึกดูรู้เห็นจิตใจตนเองไปเลยโดยไม่ต้องพึ่งกรรมบริกรรม ใ, ใดๆไม่ต้องใช้สิ่งใดเป็นตัวล่อเลยแต่ถ้าคนไหนยังทำไม่ได้ก็บริกรรมขึ้นมาก่อน เอาพุโทโธพุธโทโธขึ้นมาสกักก่อนเพื่อละภาคใจออกมาจากทุกสิ่งก่อนเพราะว่าบางคนกําลังที่จะมาดูรู้เห็นจิตใจตัวเองอยู่ที่เจยนั้นไม่สามารถจะดูรู้เห็นอยู่ได้เพราะจิตใจมันแล่นไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้นนทั้งอดีตทั้งอนาคตเรื่องราวใดๆมากมายอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถที่จะทนดูรู้เห็นอยู่ได้ก็เอาคําบริการพุทโธมาม า, มาไว้สักอย่างหนึ่งก่อนเพื่อภาคใจออกมาจากทุกสิ่งภาคใจออกมาจากพ่อแม่พี่น้อง สมบัติประสานลาบยศตำแหน่งใดใทั้งหมดภาคใจออกมาจากอดีตนาโคสภาคใจออกมาจากเรื่องราวใดใทั้งหมดแล้วมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรือหนึ่งเดียวหลือหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาจิตมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกเอกก็คือเอกเอกขตาจิตก็คือจิตมีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวอยู่กับอะไรมีหนึ่งเดียวอยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกก็ได้ ล้วก็เอ า, อาคาป ร, ริคัมพุทโธโรืรลมให้ใจเขาออกเป็นหนึ่งเดียวสะก่อนเพราะว่าแทนที่จะจิตใจจะพิ่งไปหลากหลายมากก็เอาสะอย่างเดียวก่อน จะอยู่ทำบริกรรมพุทโธได้จริงๆแล้วอยู่กับลมให้ใจเขาออกได้จริงจริงจิตใจก็จะสงบสว่างว่าเบาสบายมากเลยโปร่โล่งเบาสบายมากจิตใจก็จะแอบไปพึงพอใจใจที่โปร่งที่โล่งที่เบาสบายอยากจะให้ความโปร่งโล่งเบาสบายอย่างนั้นตั้งอยู่ตลอดไปที่ไม่อยากให้หายไปเราก็รู้ตัวรู้ตัวทนสลัดทิ้งไปเสียสลัดความพอใจความไม่พอใจนะไม่ใช่ไปสลัดอาการต่างๆทิ้งไม่ใช่พยายามไปสลัดความโปร่งโล่งเบาสบายทิ้งไม่ไม่ใช่ไปพยายามสลัดความ ทิ้งให้สลัดความพอใจความไม่พอใจเข้าไปยินดียินไลสลัดความยินดียินไยสลัดความพอใจไม่พอใจทิ้งไปให้รู้ตัวแล้วก็กลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธใจมันมก็จะโปรง่งโล่งเบาสบายสงบสว่างว่างอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเราไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจ แต่ถ้าเราลองทิ้งคเมริกรรมพุทโธแล้วเข้าไปคุณพอใจปิดใจยินดีกับความสงบความสว่างความว่างความโปร่งโล่งเบาสบายติดถ้าเราเข้าไปพอใจติดใจยินดีอยากให้มันโปร่งมันโล่งมันเบาสบายอยากให้สว่างอย่างนั้นนะเราเข้าไปยินดีเข้าไปพอใจแค่นั้นแหละความสงบความโปร่งความโล่งสบาสบายสบายหายไปเลยมิต่ความอึดอัดมิต่ความทึบมิแต่ความหนักเข้ามาแทนที่เพราะเราเข้าไปพอใจซะแล้ว เข้าไปอยากเสร็แล้วต่อสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นตัญหาเมื่อมีปัญหาเขาย่อมมีทุกข์คือความอดอัดความมืดความค้ําของจิตใจดําล้ําก็เข้ามาแทนที่ความสงบความสว่างความว่างก็จะหายไปแต่ถ้าเราเพียงแต่ศัพแต่ว่ารู้ก็มีความสงบความโปร่งความโล่งความเบาสบายเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่มีความสงบความ สว่า ง, คว า, งความโปร่งความโล่งความเบาสบายความว่างป่าเวิ้งว้างถ้าเราอยู่กับคำวบริการพุทโธไม่เข้าไปปรุงพอใจติดใจยินดีไม่เข้าไปอยากอย่างไรก่อความสงบความโปร่งความโล่งความเบาสบายความสว่างความว่างเหล่านั้นความสงบความโปร่งความโล่งความเบาสบายความสว่างความว่างเหล่านั้นก็จะคงตั้งอยู่อย่างนั้นได้นานเราก็จะเข้าไปปรงพอใจติดใจยินดีก็ให้รู้อยู่สัจจะวารู้รู้สัจจะวารู้ไว้ แต่ความสงบความโปรง่งความโล่งความเบาสบายความสว่างความว่างเพียงใดก็ตามเขาก็ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถตั้งอยู่คงตัได้อย่างนั้นตลอดไปย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปไปสู่กฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถที่จะตั้งอยู่คงทนได้อย่างนั้นตลอดไปเราก็รู้ว่าไม่ว่าจะสงบเพียงใดว่างเพียงใดสว่างเพียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะ รักษาเอาไว้ได้เขาต้องเสื่อมไปสิ้ น, นไปดับไปใจก็เหลือแต่ความเป็นกลางวางอุเบกขาอยู่กับใจที่รู้อยู่ในความเป็นกลางวางอุเบกขาไม่เข้าไปติดสิ่งใดเลยสักแต่ว่ารับรู้อยู่ในใจเป็นกลางวางอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาต่อทุกสัตว์สิ่งเหลือแต่ความสงบความสว่างความว่างเราก็อยู่กับสักแต่ว่ารู้ความสงบ หรือสักแต่ว่ารับรู้ความสงบความสว่างความว่างนั้นอยู่เฉยๆด้วยใจเป็นกลางวางอุเบกขาไม่เข้าไปพอใจหรือเวลาควา ม, ม, ม, ม ó, สงบความสว่างความว่างหายไปมีความไม่โปไม่โล่งไม่เบาสบายมีความอัดมีความทึบมีความตื้อขึ้นมาก็ไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไ ป, ไาไปที่โลนผักใสวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางสักแต่ว่ารู้สักแต่ว es. ่ารู้สักแต่ว่ารับรู้สักแต่ว่ารู้หรือสักแต่ว่ารับรู้หรือสักแต่ว่าดูอยู่เฉย ไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจที่ใดอยู่กับรู้อยู่กับรู้สักแต่ว่ารับรู้หรือสักแต่ว่ารับรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นเรื่อยไปก็จะพบซึ่งความจริงสักแต่วารับรู้นั่นแหละก็จะพบธรรมเพราะว่าธรรมนั้นก็คือสักแต่ว่ารู้นั่นเองคือธรรมให้อยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปติดจริงใดไม่เข้าไปติดจริงใดเลยสักแต่ว่ารับรู้แล้วปล่อยวางไปสักแต่ว่ารับรู้แล้วปล่อยวางไปไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจ ว่าสัตว์จบรรลุทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างนี้เรื่อยไปท่านก็จะถึงขึ้นความสุขเถ้าใจมีคู่มีที่เกาะเกี่ยวมันจะต้องมีทุกไม่สิ้นทุกไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเกาเกี่ยวนั้นล้วนแต่ไม่อาจตั้งอยู่คงทนอย่างนั้นได้ตลอดไปต้องสิ้นไปต้องเสื่อมไปต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปต้องดับสลา ย, ายไปในที่สุด ท่านไปก่อเกี่ยวพ่อแม่ญาติพี่น้องพ um ่อแม่ญาติพี่น้องก็ต้องสิ้นไปตับไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ทรมานได้ก่อเกี่ยวสามีภรรยาก่อเกี่ยวลูกหลานกาะเกี่ยวเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจ็บป่วยทุกข์ทรมานจิตใจของท่านก็จะต้องมีความทุกข์ไปกับเขาท่านไปก่อเกี่ยวสมบัติพระธสถานเกาะเกี่ยวรากยถก่อเกี่ยวเพื่อนฝูงก่อเกี่ยวคําสารเสด็จของเขากาะเกี่ยวคําเยินยอของเขา เมื่อไรที่ครับเสื่อมลากเสื่อมยศเสื่อมสุขเสื่อมการสรรเสริญเยนยอเสื่อมความรักของเขาท่านจะทนไม่ได้ท่านจะเจ็บปวดทุกข์ทรมาร์ท่านจะมีแต่ความทุกข์ใจเพราะท่านไปเกาะเกี่ยวเขาไว้ที่สุดไม่แต่เกาะเกี่ยวความสุขเกาะเกี่ยวความสุขความโปร่งความโล่งความเบาสบายความสงบความว่างความสว่างความว่างเว้ว่างไพศารท่านพยายามไปเกาะเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นไว้ แต่สิ่งเหล MM. ่านั้นก็เป็นนิงจังทุกขังวลนัตตาเมื่อเขาแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปใจของท่านจะเป็นทุกข์เพราะท่านเกาะเกี่ยวไว้ท่านอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นตลอดไปอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่อยากให้แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่อยากให้เสื <S <S <S <S <S ่อมไปไม่อยากให้หายไปแต่สิ่งเหล่าน um> ั้นไม่เป็นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะสงบเพียงใดสว่างเพียงใดว่างเพียงใดไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐเพียงใด ล้วนแต่ต้องตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกข์กรรน้าตาจ้องแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหรที่เขาแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปถ้าไปเกาะเกี่ยวเขาไว้แม้แต่เกาะเกี่ยวอยากให้สุขอยากให้ดีเลิศประเสริฐตานใดเขาก็ไม่อาจจะตั้งคงทนอยู่ได้อย่างนั้นตลอดไปก็เสื่อมสุขไปสู่ทุกข์เสื่อมความสงบเสื่อมความสว่างเสื่อมความว่างไปสู่ความไม่โปร่งไม่โุ่งไม่บาสบายไม่สงบไม่ว่าง มีความคิดมีความนึกมีความตึงมีความทอมมีความโรงแต่งเกิดมาท่านก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากวุญหงิดกับความคิดนึกตึงกองคงแต่งหงิดกับ ven, อารมณ์เ่านั้นไม่อยากให้มีอารมณ์ไม่อยากให้มีมอากอารที่ไม่ชอบใจและไม่อยากนี่แหละเป็นทุกข์ที่หลวงปู่แหวนท่านกล่าวว่าที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้หนักหนักบอกว่าหนักหนักและทุกข์ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเกียรทุกข์รักสุขนี้เองอเกียรทุกข์รักสุคนี้เองที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าวางใจเป็นกางวาอุเบกขาทุกข์สัรพสิ่ง เห็นทุกอย่างเป็นไปตามกฎนิจจังทุกการอนัตตาสุขก็สุขอยียงนั้นตลอดไปไม่ได้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ดีหรือสารเสริวนยังไงก็ตามจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไม่ดีต้องเสื่อมสุกเสื่อมทุกข์เป็นอย่างนั้นสลับต้องเปลี่ยนกันหมดวนเวียนกันไปร่างกายเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วย ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อข่าวอะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่ยวยก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติไม่เช่นนั้นเวลาพอแก่ลงเจ็บลงเจ็บแค่ได้ดป่วยทุกทรมานลงก็จะทนไม่ได้กับสภาพร่างกายอย่างนั้นเพราะไม่หมั่นพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าเราจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้เป็นของแน่แท้ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้เราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราต้องมีความเจ็บ้ข้ได้ป่วยทุกทรมานจะต้องไปโรงพยาบาลเป็นของแน่นอนของธรรมดาไม่อาจอีกเลี่ยงไปได้ไม่มีใครมีอิทธิพลเราต้องมีความตายเป็นของธรรมดาเราและคนที่เรารักก็ต้องตายพราท่าจากกัน เป็นของธรรมดาไม่อาจลิตเรียงได้ของสิ่งนี้เป็นของแน่แท้เป็นของสัจธรรมที่ไม่อาจภีใครหลีกนี้นีพ้นเป็นของสัจธรรมธรรมชาติที่มีคู่โลกคู่ธรรมชาติตลอดการถ้าเราไม่หมันพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้เราจะทนไม่ได้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทนไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเราจะทนไม่ได้กับความพลาดพลาความสูญเสียสิ่งที่ชอบใจเราจะมีความทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่ชอบใจกาจะทำให้ดี แต่วแ่ยังไ็ใวางอ่างน้ดว้ ไ, ไวว ห, หไม่มีวม่มวะครับค่อยฝึกไปค่อยฝึกไปไม่มีไว้นะค่อยฝึกไปครับเพราะว่าเราติดมันมานานแนละ้วค่อยฝึกไว้หายใจผ้าห่อจับจับสิ่งที่แช่ลอกก่อนแล้วค่อยๆวางไปวางใปวางจิงใดไปทั้งหมดซะก่อนจากภายนอกซะก่อนค่อยๆวางสิ่งที่อยู่นอกกายก่อน หมายถึงว่าในขณะปัจจุบันนะในขณะปัจจุบันค่อยๆวางใจออกจากสิ่งใดภายนอกไปที่อยู่นอกกายก่อนวางสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่นอ้องตำรวจพระสถานสามีภรรยาและลูกลูกหลานต่างๆค่อยๆวางออกจากใจแล้วก็ใจมาอยู่กับความบริการพุโทโธหรือยู่กับลมใจเข้าขออกเมื่อวางสิ่งใดภายนอกเสร็จแล้วก็ค่อยมาวางกายมันจะแค่ได้ป่วยอย่างไรก็รักษาไปไม่ต้องไปทุกข์กับมัน รักษาแล้วก็ถ้ามัญหายมันก็หายเอ like งไงเพรไปหาหมอแล้วนี่ไม่หายแล้วทาไมด้อย่าไปทุกขทรมานกับมันจะไปทุกใจรักษาแล้วโลกมันมีสามประการคือทําไมรักษามันได้ก็หายเองบองที่ไปรักษาแล้วจึงจะหายถ้าไม่รักษาไม่หายบางทีรักษาแล้วก็ไม่หายตายอย่างเดียวเพฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปหาหมอรักษาเมื่อปัจจแล้วไปอย่าไปทุกข์กับเขาให้ใจเมื่ออะไรใจไปเกาะเกี่ยวกับร่างกายความทุกข์ทรมานของร่างกายต่างผาก็ให้มีอยู่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ เสร็จแล้วใจก็จะไปเกเกี่ยวเรื่องจิตใจใจดีใจไม่ดีใจสบายใจไม่สบายเราค่อยรู้ตัวรู้สถานแล้วกลับไปโยกคำบริกรรมพุโทโธค่อยๆคยลาดใจออกมาถอยเข้ามาถอยเข้ามาจนเหลือแต่คำบริกรรมพุโทโธแล้วหรือเลมหายใจเขออกค่อยๆค่อยๆถอยเข้ามาอย่างนี้ครับแต่คําว่าให้คลากใจออกมาจากสิ่งใดภายนอกอยวถึงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสมบัติประสทานลูกหลานต่างๆ แล้วก็ภาคมาจะถึงภาคออกมาจากร่างกายจิตใจตนเองภาคมาจากอาการรางอาการทางใจเนี่ยภาคเข้ามาคือภาคใจในขณะปัจจุบันทุกคนการปัจจุบันคือภาคใจนะภาคใจให้อยู่กับบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือลมหายใจเขาออกและที่สุดแม้แต่กับบริกรรมพุโทโธก็ต้องไปวางลงแล้วสับแต่ว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เฉยแต่บางคนก็จะผิดคือพยายามที่จะภาคตัวออกจากครอบครัว ปฏิบัติไปแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายครอบครัวเบื่อเหน่อยหน้าที่การงานไม่อยากมาทํางานตื่นช้าไม่อยากมาทำงา น, า ไ, มามางานไม่อยากอยู่ ก, กับครอบครัวมีความเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะไปอยู่ป่าอยู่เสาลําไส้ไฟใจมันเกิดอารมณ์เบื่อแต่อารมณ์เบื่อเหล่านี้มันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ไเฉยไม่ตัวเองไม่รู้ว่ามันความคิดอารมณ์เหล่านี้มันลากตัวเองไป แล้วเบื่อหน่ยายเจ้าระทังบางทีแบบว่าร้องไห้ร้องไห้มีความเบื่อหน่ายว่าชีวิตเราก็อยู่ได้ไม่นานต้องสิ้นแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องตายอะไรแล้วก็ร้องโหร้องไห้มันกลายเป็นอารมณ์เขามีความคิดอารมณ์เข้าแทรจิตใจแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวเจ้าประทั่งต้องไปว่ากล่าวดังแรงว่าให้ลองดูใจตนเองจริงๆว่าเบื่อจริงหรือเปล่าเบื่อจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ภาคใจแต่มันจะคิดมัจะภาคกาย เมื่อภาคกายไม่ได้มันก็เกิดความดินน้นรนขัดแย้งภายในใจตนมันภาคคือต้องภาคใจไม่ใช่ว่าคิดแต่จะภาคกายไปแต่ที่สุดแล้วจิตใจไม่ได้ภาคผมบอกอย่างนี้ก็ได้ลองดูก็ได้ถ้าอยากจะภาคแบบนั้นเนยะลาภาลักลอนหรือลาบวชก็ได้ถ้าผู้หญิงก็ลาภาลักลอนแล้วไปอยู่จริงๆสิไปอยู่ในปา่าอยู่วัดปา่า ลองดูใจตนเองที่ว่าใช้ตนเองเนี่ยมันภาคจริงๆหรือเปล่าภาคจากครอบครัวจริงๆหรือเปล่าภาคจากหน้าที่การงานจริงๆหรือเปล่าภาคจากเพื่อนฝูงจริงๆหรือเปล่าภาคจากเรื่องราวใดๆทั้งหลายในอดีตนาคก็จริงๆหรือเปล่าสามารถอยู่ใจเดียวเป็นเอกัสตาจิตได้ไหมอยู่ใจเดียวไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดได้ไหมใจอยู่เป็นกลางวางอุเบกขาไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดได้จริงๆไหมลองไปดูสิลองดูใจตนเองดูว่ามันหลอกหรือว่าหลอกใจตนเอง คุณทุดท้ายถูกความคิดและลมหลอกหมดไม่จริงเลยเพราะก็อยู่คนเดียวนะคิดถึงครอบครัวคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงลูกหลานคิดถึงหน้าที่การงานคิดถึงเพื่อนตัวอยู่ในป่าแต่ใจออกมานอกป่ามาหาเพื่อนหาพ่อแม่พี่น้องหาสามีภรรย า, าลูกหลานอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับตัวเลยออกมาตลอดเวลาเลยออกไาตลอดเวลาอย่างนี้ไม่อย่างนี้เรียกว่าหลงหลงนะ มันต้องฝึกใจตัวเองไม่ได้ฝึกแยกกายฝึกแยกใจตัวเองแยกใจตัวเองออกมาจากทุกสิ่งปลากออกมาโดยการเอาคําบริกรรมพุทโธหรือลมหายใจเขาออกเป็นเครื่องร่อไว้ค่อยๆปากมาปลากปากป ล, ลากใจให้เครื่องร่อนี่ยคือเป็นเครื่องภาดใจออกมาจากทุกคนทุกสิ่งมาอยู่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใจก็ยิ่งสงบโพงร่มเบาสบายสว่างมากขึ้นให้ให้ดูรู้เห็นอยู่อย่างนั้นเฉย แต่ดูรู้เห็นด้วยใจที่รู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้ความสงบความโตงความโล่งความเบาสบายความสว่างความว่างฝ่าอย่างไดก็ตามไม่เที่ยงเราเดี๋ยวก็ต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็สั่งแต่วาดูรู้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละเพราะในขณะนั้นเ้าสงบเขาโปง่งเขาโล่งเขาเบาสบายเขาสว่างเขาว่างมากเลยเราก็ทิ้งคำวิริยความพุโทโธไปทิ้งไม่ใจเขาออกไปเองมันทิ้งไปเองนะไม่ใช่เราทิ้ง จิตใจมันมีความสงบความโป่ความโล่งความเบาสบายความสว่างความว่างนะเขาทิ้งกรรมวิกรมุทโธทิ้งลมายใจไปเองไม่ใช่ว่าเราเราเป็นผู้ทิ้งเขาทิ้งไปแล้วเราก็ดูรู้เห็นอยู่อย่างนั้นให้นานเท่านานแต่เราก็รู้อยู่ในใจตลอดเวลาว่าความสงบความโป่ความโล่งความเบาสบายความสว่างความว่างใจใสใจสบายเพียงใดก็ตามไม่เที่ยงหรามันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปเองธรรมดาเรื่องของธรรมดาเราก็รู้ถึงยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเขาสงบอยู่เขาว่างอยู่เขาสบายอยู่เขาว่างอยู่แล้วก็ดูรู้เห็นไปอย่างนั้นแหละอยู่กับใจที่สัตแต่วาดูรู้เห็นด้วยใจยอมรับจำบ่อนไปจริงแต่ก็จะไม่ทุกข์แล้วจิตรู้ทำอะไรกันจิตจิตรู้ทำจิตรู้ทำก็คือรู้นะครับรู้นั่นแหละคือทำรู้ที่รู้ในใจเป็นกลางวางอุเบกขาไม่กาอเกี่ยวสิ่งใดไม่เข้าไปรักไม่เข้าไปชังไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจสิ่งใดสัตแต่ว่ารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้แจกเป็นกลางสัตว์วรรลรู้สิ่งใดภายนอกร่างกายเราลูกลดกินเสียงสัมผัสสัตววรรลรู้กายสัตว์วรรลรู้อาการทางกายสัตววรรลรู้จิตใจสัตววรรลรู้อาการทางใจสัตว์วรรลรู้ความโผงความโล่งความเบาสบายความสงบความสว่างสัตว์วรรลุด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจสัตว์วรรลุนั่นแหละคือธรรมสัตววรรลุหมายถึงว่าสัตวรรลุแบบไม่ให้เราไปจับเหนขาไว้แต่คือความ ไม่ไม่ใช่สักแต่เรารู้ด้วยได้เราก็วางทําใจเฉยๆ น, นะครับสักแต่เรารู้ไม่ทําใจอย่างไรเลยคือว่าใจเนี่ยไปรู้ไปรู้สิ่งใดแล้วไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจเลยคือรู้แล้วก็วางลงรู้แล้วก็วางลงรู้แล้วก็ละไปละไปละละความพอใจไม่พอใจในใจแด่แต่รู้แล้วก็ละความพอใจความไม่พอใจแค่นั้นเองแต่ก็รู้ไปไม่ไม่ไม่เข้าไปทําให้อาการเหล่านั้นหายไปเคยเป็นการเป็นสิบหรือรัครับ คือคือครู้ธรรมคือคือรู้ตัวเขาเองไม่ใช่ไปไปไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นะครับคือรู้ได้รู้ได้ใจเป็นกลางน่ยรู้ได well, ้ตัวของเขาเองคือใจเป็นใจเดียวไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดนั่นแหะคือธรรมเพราะใจตัวเองนั่นแหละที่ไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดนั่นแหละคือธรรมที่เราแสวงหาธรรมขอให้ข้าพเจ้าจงบรรลุธรรมบรรลุธรรมคือบรรลุใจตัวเองที่ไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดนั่นแหละคือธรรมไม่ใช่ว่าเราไปแสวงหาธรรมหรือหาพระนิพพานในที่ใดๆเลย ท่านกล่าวว่าใจตนเองที่ไม่กอเกี่ยวสิ่งใดทั้งหม ด, ด น, นั่นแหละคือธรรมเรียกว่าบรรลุธรรม